บทภาชณีติกาปาจิตตีสองร้อยเอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันนิมนต์กลับต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจนิมนต์กลับต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันนิมนต์กลับต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเป็นโกรดนิมนต์กลับต้องอบัตทุกกฎภิกษุนิมนต์อนุปสมบันกลับต้องอบัตทุกกฎ ภิกษุทำเป็นโกรธนิมนต์กลับต้องอบัติทุกขกฎอนุปสปัมพันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมพันต้องอบัติทุกขกฎอนุปสัมพันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกขกฎอนุปสัมพันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมพันต้องอบัตทุกกฎ